อะหังพันเตนิสยังยาจามิดุติยมปิอะหังพันเตนิสยังยาจามิตติยมปิอะหังพันเตนิสยังยาจามิอุปัจายโยเมพันเตโหหิอุปัจายโยเมพันเตโหหิ ปัจจายเมพันเตโหหิสาธุผันเตสาธุผันเตสาธุผันเตอจจะเกดานิเทโรไมยังพาโรอหัมปิเทรัสะผาโร aja ตัเกดานิเทโรไม่หังาโรอหัปิเทรัตสาาโร aja ตัเกดานิเทโรไม่หังาโรอหัปิเทรัตสาาโร ama บตอมาบันตอมะ ปันเตอามะปันเตหลังจากนี้จะออกไปยืนถามอันตรายยิกธรรมในระยะห่างจากหมู่สงประมาณตั้งแต่สิบสองศอกขึ้นไปเมื่อท่านถามอาจงถึงคำว่าสั้นติเตเอวะรูปาอาบาถาขุดทั่งให้เราตอบว่านัตถิปันเตนัตถิ พันเตนัตถิพันเตนัตถิพันเตนัตถิพันเตแล้วเปลี่ยนเป็นอามะพันเตอีกแปดครั้งอามะพันเตเมื่อครบแปดครั้งท่านจะถามว่ากินนาโมสิให้ตอบว่าอะฮังพันเตนามะ อุปัชฌายโยเ e พันเตอายัตสมานามะขณะนี้ที่วัดบวรฉยาอุปัชฌายะคือปุญญาขมโมและบรามะคุตโตให้ว่าเป็นอุปัชฌายโยเ e พันเตอายัตสมาปุญญากะโมนามะหรือ อุปชายโยเมผันเตอาญาติสมาบรามะคุตโตนามะ